ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจทำความเพียรทางใจกันการทำความเพียรทางใจนี่ไม่ค่อยปรัทำกันมีแต่ความเพียรทางกายทำแต่การแต่งงานินอื่น ทางจิตใจนี่ไม่ค่อยคำนึงถึงรแท้ที่จริงแล้วงานทางใจนี่สำคัญมากแต่คนมองไม่เห็นความสำคัญในการทำความเพียรทางใจเพราะฉะนั้นมันจึงได้ตกข้างอยู่ในโลกอันนี้ ยิ่งได้ทนทุกทรมานอยู่ในโลกอันไม่เที่ยงไ่ยังยืนนี้ผู้ดใดตื่นตัวแล้วก็ควรมาทำความเพียรทาง จ, จิตใจเพื่อให้มันหลุดมันพ้นไปถึงแม้มันจะไม่หลุดไปโดยเด็ดขาดทีเดียวแต่มันก็ หลุดไปเป็นขั้นเป็นตอนไปก็ยังดีกวัวยา่ำซกอยู่ของเกาการเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกธนิวตัตอันนี้มันแสนทุกข์ยากลำบากมากอย่างชาติปัจจุบันที่เราเกิดมานี่แหละทุกคนก็ย่อมรู้ได้ ว่ามันเป็นทุกข์อย่างไรบ้างแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไม่มีทุกข์ก็มีบ้านอยู่มีเงินใช้มีข้าวกินมีรถนั่งไปไหนมาไหนก็สบายไม่เห็นเดือดร้อนอะไรจึงไม่จำเป็นต้องเขาวัดเข้าว่า ไปนั่งหลังขดหลังแข็งฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นมันได้อะไรบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ในความคิดนี่มันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าทุกคนเป็นชาวพุทธเราต้องถือพระธรรมเป็นแบบแผน คิดอะไรก็ต้องให้มันตรงตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางไปคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนในคนเรานั้นได้มีความรู้ยิ่งขึ้นไปโดยลดาําดับไม่ใช่รู้อยู่แต่ที่เดิมเช่นอย่างเรารู้ว่าความสุขในโลกนี้ เมื่อมาเทียบกับความสุขในที่อื่นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ไม่เที่ยวอย่างเที่ยวความสุขในสวรรค์อย่างนี้นะความสุขในความสุขในมนุษย์เนี่ยไม่เที่ยวหนึ่งไม่เท่าเที่ยวหนึ่งความสุขเมืองสวรรค์ซ้าเป็นไรอะ่ะและจ่านนี้ยังจะมาห่วงความสุขอันนี้กันอยู่เลอถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า จริงๆแล้วก็ไม่น่าห่วงจริงเนี่ยความถุกขในโลกนี้ควรมาหันหน้าเข้าวัดวาศาสนาเล้วทำความเพียรทางจิตใจฝึกใจนี่ให้มันสงบระ ง, งับไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่กับของที่ไม่เป็นสาระแก่สารนั้นพระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่าวิริเยนทุกขามัจเจติผู้จะล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะความเพียรดังนี้ทำไมพระองค์เจ้าถึงตรัสอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่ากิเลสตัณหาเนี่ยมันได้หมก ม, มุ่มอยู่ในจิตใจม า, มานานแล้วเราจะมาละเอาขั้งหนึ่งคราวเดียว จะให้มันหมดไปสิ้นไปน่ะไม่ได้โคนฝังรกฝังรากมาในจิตใจนี่พอแรงแล้วเรืองมันน่ะดังนั้นเอพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ทำความเพียรละกิเลสนี่ไปทีละน้อยละน้อยเพียรภาคเพียรพยายามไปเพ่งจิตอยู่ภายใน เข้าไปกิเลสมันก็ค่อยเบาไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะว่าใจมันไม่สร้างกิเลสขึ้นมามุ่งแต่ให้ความสงบแก่ตัวเองมุ่งแต่น้อมเข้าไปสู่ความสงบไม่ได้คิดไม่ได้ปรุงแต่งกิเลสตัณหาอะไรให้เกิดขึ้นมา นี่แหละจึงว่ากิเลสมันจึงหมกอ่อนกําลังลงเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมเพราะทุกอย่างมันต้องเกิดจากจิตมีจิตเป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาเองโดยที่จิตไม่ได้คิดไม่ได้เจตนาเลยอย่างนี้หามีได้ จิตแลมันต้องคิดปรุงแต่งขึ้นมาเดี๋ยวอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้มันก็ดวงจิตนี่เองนะไม่ใช่ใครอื่นใกลที่ไหนไอความคิดเหล่านี้มันก็เกิดจากความรู้อันปรากฏอยู่ภายในร่างกายนี่เองความคิดอยากได้นั้นอยากได้นี้นะไม่ใช่มันเกิดมาแต่ที่อื่นมันมหาไม่ได้ มันเกิดจากความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แหละใหประกันเพ่งดูให้มันเห็นเมื่อเรายัางสติเข้าไปถึงความรู้สึกอ น, นั้นแล้วมันจะหยุดคิดทันทีเลยถ้าสติยังไม่ยังเข้าไปประคองจิตไว้ตราบใดแล้วจิตนี้มันจะไม่ยอมหยุดคิดเลย มันจะต้องคิดไปอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิสูจน์ดูตัวเองเมื่อพิสูจน์เพ่งอยู่อย่างนั้นก็จะรู้ได้เออจิตนี้ทัก า, าดสติสมรสญ่าแล้วไม่ไม่สงบได้แน่นอนทีเดียวการที่จิตสงบอยู่ได้เพราะอาศัยอาศัยสติะระลึกเข้าไปถึงจิตได้ อาศัยสัมปัชญะความรู้ตัวว่านในขณะนี้จิตตั้งมั่นโยจิตไม่คิดไม่ปรุงแต่งไปไหนนี่สัมปัชญะมันรู้อย่างนี้เหตุดังนั้นใจมันจึงอยู่ได้รู้จิตอยู่เสมอทุกลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะนั่นแหละจิตใจมันจะสงบอยู่ได้ด้วยเหตุนั้นเนี่ย ให้เข้าใจกัน <c oughs> นี่จึงว่าการทำความเพียรทางจิตใจนี่นะ่ะเป็นสิ่งประเสริฐมากเพราะว่าเราเพียรละต้นเหตุแห่งทุกข์ออกจากจิตใจเมื่อละเหตุแห่งทุกข์ออกไปเท่าไหร่ความทุกข์ใจมันก็ดับไปเท่านั้นเพราะความทุกข์มันเกิดมาจากเหตุ เช่นอย่าว่าบุคคลมีความโลภอยู่ในใจอมันก็นั่งคิดนอนคิดอยากได้สิ่งที่ตนต้องการไม่หยุดไม่ยัง้งละความคิดนั่นก็ไม่ได้มันก็เดือดร้อนไม่ใช่เลยนั่นแหละคิดไปมากเข้าไว้ก็เดือดร้อนไปบางคนถึงก็เป็นโรคหัวใจเพราะคิดมากอื อย่งั้นแหละบุคคลผู้มีความโกรธเหมือนกันเนี่ยเมื่อ น, นึกถึงบุคคลที่ตนไม่พอใจนั่นขึ้นมาเวลาใดใจก็ขุนขึ้นมาเวลานั้นจิตก็ฟุ้งไปฟุ้งแต่งคิดอยากจะททำลายล้างขรานมันให้มันย่อยยับไปอย่าให้มัน อยู่ในโลกนี้ได้เห็นหน้าเห็นตามันเราเกลียดนั่นจิตเป็นอกุศลแล้วคิดสร้างบาปขึ้นในใจแล้วลองคิดดูนี่แหละจะว่าทุกสิ่งทุกอย่างใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นโดยอาศัยกิเลสมายุตนไม่รู้เท่ามายาของกิเลสก็เลยหลงไปตามมันเหลือมาน่ะ มันยุให้โลภ ก, ก็โลภไปตามมันหาอุบายแย่งสิ่งอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโดยกนโกงต่างๆนา น, นามันยุให้โกรธก็โกรธไปตามมันไม่ได้นึกคิดเลย ว, ว่าความโกรธมันจะนำความพินาามาสู่ตนเมื่อไรไม่คิดเลยน่แหละ มันอยู่ให้หลงให้เมาก็หลงก็เมาไปตามโดยที่ไม่นึกเห็นว่าความหลงความเมานี่เนีะ่ะมันก็เหมือนอย่างบุคคลเดินทางหลงทางนั่นแหละเมื่อหลงทางก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางวกไปเวียงมาเวียนมาก็มาหาของเก่านั้นอกีกอยู่อย่างนั้นแหละจน อ, อ่อนใจเลยเจ้าตัวผู้หลงทาง จนวัดเมื่อมาได้พบกับคนเดินทางผู้ชำนาญในทางสายนั้นถามผู้ชำนาญน ใ, นในการเดินทางนะเขาจึงแนะนำชี่บอกในทางไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นไปเส้นนั้นเส้นนั้นนะไปทางทิศนั้นอย่างนี้เดินไปจึงค่อยถึงจุดหมายปลายทางได้ข้อนี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคล ผู้มีความหลงความเมาอยู่ในโลกอันนี้แหละเกิดไปเกิดมาบังเอิญบางชาติก็เลยได้พบพระพุทธเจ้าเขาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงแนะนำอุบายให้พ้นออกจากโลกอันนี้ไปรู้แนวทางแล้วจึงลงมือปฏิบัติ ก็จึงได้รู้ว่าตนนั้นพ้นไปจากโลกนี้รู้แต่เวลายังมีชีวิตยอยู่นี่แหละเช่นอย่างที่เราส่งสอนในภาวนาเรากับภาวนาส่งสอนในรักษาสินหา้าสินุโวสถก็รักษาอืมส่งสอนในภาวนาทําใจให้เป็นหนึ่งเราก็เพียรพยายามน้มสติเข้าไปประคองจิต อยู่ภายในปัจจุบันเนี่ยอย่าให้มันคิดสงสายไปทั้งเอื่นนี่เรียกว่าเราเพียร น, นะเพียรทำจิตใจสงบลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่ามันหายหลงไปในขั้นหนึ่งแล้วนี่นะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างแล้วว่าอ๋อความสุขนี่มันอยู่ที่ความสงบนี้แต่ก่อนเราไม่รู้เลย หลงไหลหาแต่ลาบแต่ยศทาแต่สนเสริญเยินนยอคิดว่ามันคิดว่ามันมีความสุข ก, การมีลาบเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเองเตันจึงได้ดีนลนหาคิดปุงแต่งไปหาตั้งแต่ลาบแต่ยศไปเลื่อยไปอย่างนี้นี่เมื่อมาภาวนาเข้าไป จิตใจสงบลงไปแล้วถึงได้ตื่นตัวรู้ตัวได้ว่าเออความสุขมันอยู่ที่ความสงบนี้ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองลาบยศสนเสริญต่างๆเลยก็รู้ขึ้นมาได้ตนเองในวันนี้นะแต่เมื่อสมาธิมันถอนแล้ว อ้าวความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นมันก็หายไปดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้หยึดมั่นอยู่ในแค่สมาธิเมื่อทำจิตให้สงบลงไปแล้วก็ต้องฝึกจิตใจนี้ให้ฉลาดให้เกิดปัญญามันจะเกิดปัญญาในควาหัดคิดนี่แหละคิดอ่านหาเหตุหาผลต่างๆมา บางเรื่องก็อาจจะคิดรู้แจ่มแจ้งได้แต่บางเรื่องก็อาจจะรู้ไม่ได้คิดไม่ถึงกพระเหตุว่ามันลึกซึ้งอย่างนี้เอา้าสิ่งใดที่ยังไม่รู้ก็จำเอาไว้สิ่งใดรู้แล้วก็รักษาไว้จะให้มันสูญหายเมื่อพบท่านผู้รู้ก็เรียนถามข้อข้องใจต่างๆกับท่านผู้รู้ ท่านผู้รู้ก็จะได้แนะนำสั่งสอนเข้าไปที่หนทางที่ถูกต้องให้อย่างนี้แหละแล้วเราก็เอามาปรับปรุงสอนใจตัวเองให้มันละความเห็นผิดต่างๆเสียถ้ามันยังมีความเห็นผิดอย่า ง, า ง, างนี้ยังยิงเดึองอยู่พรศาสดาก็ทรงแสดงทางผิดไปให้แล้วโดยสมบูรณ์ การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกลาม่าวมุเสสะว่าดื่มธุ ร, ราเมลยัยกัญชายาพินเฮโรอินหมู่นี้มันก็เป็นความเห็นผิดเพราะมันเห็นผิดแล้วมันจึงทําบาปเหล่านี้ท่ายังเห็นถูกอยูเห็นว่าการกระทําทั้งห้าอย่างนี้ล้วนแต่เป็นบาปทั้งนั้นเลยเป็นความจริง ถ้ารู้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วไม่ทําเลยคนเราไม่ทําแล้วอเบี่ยงงั้นก็เพราะมันไม่รู้อย่างว่าเนี่ยมันถึงได้ทํานี่เมื่อว่าภาวนาลงไปใจสงบลงไปแล้วมันจึงมองเห็นว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นบาปเป็นโทษจริงเพราะไปทําลายชีวิตของผู้อื่นไปทําผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ก็เพราะเหตุว่าไปแย่งจิตที่ของเขาเช่นอย่างว่าไปแย่งเอาสิ่งของเขาอย่างนี้นะหรือว่าไปแย่งเอาสามีภรรยาเข า, างี้ทําให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนทุกข์นั้นมันก็มาถึงตนแหละมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันน่ะเรา ท, ทําทุกข์ให้แก่คนอื่นทุกข์นั้นก็ตามมาสนองตอบเรา เหมือนอย่างบุคคลที่ปลาคอนใส่ฝาผนางังเมื่อฝาผนังมันไม่ทะรุ้ไม่แข็งแรงคอ น, น, นมันก็กระเด็นมาใส่หน้าผากของกุกปาเข้าไปนั่นเองนะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลเบียดเบียนผู้อื่นแล้วอย่างนี้นึกว่าตนจะปลอดภัยไม่เป็นทุกข์อะไรแต่ความจริงแล้ว การเบียดเบียนผู้อื่นนั่นอ่ะมันเท่ากับเบียดเบียนตนนะพอไปทำทุกข์ให้แก่ผู้อื่นทุกข์นั้นมันก็ย้อนกลับมาสู่ตน้นมันไม่ไปไหนแล้วอย่างนี้เพราะว่าสาเหตุมันเกิดจากตน้นมันจะไม่กลับเข้ามาหาตนอย่างไรอ่ะจึงสงกับที่พระศ า, าสดาทรงแสดงไว้ว่าผู้ผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอ น, นั้น อย่างนี้แหละดังนั้นนะ่ะก็ัารสดาจึงทรงสอนให้อธิษฐานละเว้นเสมอเสมอไปไอ้กรรมชั่วอันใดที่ได้ทำมานในอดีตก็อธิษฐานใจละเว้นละสละทิ้งไปเลยไม่เยื่อใ่แล้วกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้นนะ่ะ นี่มาเพ่งพิจารณาดูในปัจจุบันถ้ากิเลสอันใดมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่เราก็เพียนละสอนใจให้ละให้ปล่อยวางไปเรื่อยๆนี่เอาถือเอาปัจจุบันนี่เป็นเครื่องเพ่งเป็นเครื่องอยอะเมื่อจิตมันสงบอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็รู้ลมหายใจเข้าว่าจิตสงบก็รู้ หายใจออกว่าจิตนี้สงบมันก็รู้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนะี่ยการทำความเพียรทางจิตใจจึงถือว่ามันเป็นการขจัดต้นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆถ้าบุคคลไม่มาเพ่งพิจารณาทวงกระแสจิตเข้าภายในอย่างนี้จะไม่เห็นต้นเหตุ แห่งความเกิดแก่เจ็บตายเสวยทุกข์เสวยสุขไปในสงสารนี่จะมองไม่เห็นเลยเป็นอย่าง น, นั้นดังนั้นเมื่อภาวนาลงไปจิตส ง, งบผ่องใสขึ้นมาแล้วก็นึกคิดบบบนีเ้เรื่องบาปนี่เป็นยังไงนองนงี้นะ มันก็รู้เรื่องบาปไปทําอย่างนั้นก็เป็นบาปทำอย่างนี้ก็เป็นบาปที่พระศ า, าสดาทรงบัญญัติถ้ำไว้นั้นเป็นความจริงเมื่อจิบยกออกมาวินิจฉัยดูให้ละเอียดถีท้วนแน่นอนเป็นบาปแท้ๆมันก็ลงความเห็นได้เมื่อมันลงความเห็นได้ด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็ละบาปได้สิละความโกรธในใจนั่นแหละ ความไม่เอ็นดูปลานีแกสัรษสัตว์ทั้งหลายนี่นะชื่อว่าเป็นคนใจดำอำมหิษนี่เมื่อเราเพิจารณาว่าต้นเหตุที่จะให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นดังกล่าวมานั้นมันอยู่ที่ความโกรธนี้อยู่ที่ความโลภนี่ไม่ใช่อย่างอื่นได้ เมื่อมันโลภมาแล้วมันอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อมันโกรธมาแล้วมันอยากทำลายชีวิตของผู้ที่ตนโกรธตนเกลียดนั้นอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อมันทำร้าอยู่นั้นท่านเดียวความพยายามบาศอาฆาตจองเวรนี่นี่สาเหตุที่คนเรามันจะมีเวรต่อกันไปไม่มีสิ้นสุดเพราะต่างคนต่าง ไม่รู้ตัวว่าตนกำลังทำบาปตนกำลังสร้างเวรขึ้นในตนแล้วเวร น, นั้นมันจะตามติดสอยห้อยตามตนไปเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นอย่างนี้ไม่รู้อลไรคนไม่คิดเมื่อผู้ใด ย, ยังไม่ได้คิดก็คิดซะความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละ เมื่อใจยึดเอาความโกรธความพยาบาทไว้เช่นนี้นะมันก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นทัานอื่นโดยไม่กลัวต่อนรกอบายภูมิอะไรทั้งนั้นแหละเช่นนี้สำหรับผู้ที่มีศีลมีฮิริโอตปะอยู่ในใจมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจแล้วอย่างนี้นี่ใจมันจะ สงบลงเป็นหนึ่งได้แล้วกิเลสต่างๆที่เคยสะสมมันมานะมันก็ไม่มีกำลังอะไรที่จะมาครอบงำจิตใจได้มันก็อ่อนกำลังลงไปแต่มันไม่ใช่หมดนะมันอ่อนกำลังมันสงบตัวอยู่ในจิตนั่นแหละแต่ว่ามันยังให้ผลอะไรไม่ได้อนุภาพแห่งสมาธิ มันมีกำลังกล้าลัวกิเลสนั้นนี่นะการที่เราเจริญสมาธิเนี่ยมันเป็นเครื่องระ ง, งับกิเลสต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละแถมเราได้มาเจริญปัญญาเข้าไปหลังจากิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็ใช้ปัญญาเพิจารณาในปัจจุบันให้ลงไป ว่าใจมันยังคล่องอยู่ด้วยของรักของชอบใจหรือของเกลียดชังอะไรบ้างเนี่ยก็พิจารณาดูรู้เห็นแหละเมื่อมันไม่คลองอยู่ก็รู้อย่างงี้นะมันไม่โกรธใครพยาบาบตใครก็รู้เพราะว่าจิตนั้นมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมเกิดขึ้นแทนความโกรธแล้ว ความโกรธมันหายหน้าหายตาไปแล้วเช่นนั้นแหละมันถึงไม่ได้วิตกวิจารณผูกอ้าก้าจงเวนใครถ้าถ้ามันไม่เพียรพยายามละแน่นอนแหละสักวันหนึ่งมันจะมีเรื่องไรแรงมากระทบเข้าล้วก็จะเป็นเดชให้เกิดความโกรธความไม่บาคขึ้นมามันเป็นยาง้นเรื่องมันน่ะ ดังนั้นการทำความเพียรทางจิตใจเนี่ยระวังรักษาดวงจิตตรงนี้เสมอไปความโรคก็เกิดเกิดไม่ได้ความโกรธก็เกิดมาไม่ได้เพราะว่าเรามีสติประคองจิตอยู่เสมอนี่เรื่องชั่วในกระทบมาก็รู้ทันอย่างนี้นะเดี๋ยวมันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แหละกิเลสล่านั้นนะ่ะ เนี่ยการทำความเพียรทางจิตใจมันดีอย่างนี้ให้พากันพิจารณาให้มันเห็นมันหายหลงหายเมาแต่ก่อนนั่นหลงเมาอยู่ในบาปในโทษต่างๆก็ไม่นึกสะดุ้งหวาดกลัวต่อบาปกรรมนี่มันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่แล้วไม่ได้คิดแล้วอย่างนี้นะเมื่อเมื่อเราได้ภาวานาเข้าไปจจำติ้น้าไว้ มันนึกคิดได้ว่าการกระทาแค่นั้นนะ่ะมันเป็นคำรรเป็นเวรจริงๆนี่นะมันมารู้ได้โดยปัญญาได้ป่ะนี้นะเมื่อมันรู้ด้วยปัญญาได้มันก็ละได้สิป่ะนี้นะอมืมันก็เพียรพยายามละความโลภความโกรธความหลงความเมาเมาต่างๆด้วยการทําความเพียรทางจิตใจ เพียนเพ่งพินิษฐดูว่าความโลภมีลักษณะอาการอย่างไรความโกรธมีลักษณะอาการอย่างไรความหลงมีลักษณะอาการอย่างไรเช่นนี้นะมันก็เพ่งพิจารณาเห็นได้บัานี้ลักษณะอาการของกิเลสเหล่านั้นนะทีนี้เมื่อจิตใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านั้นบรรเทาลงไป แล้วอย่างนี้แล้วก็มาเจริญปัญญาเข้าไปอย่างที่ว่านั่นแหละเอ่มันก็เห็นแจ้งในขันห้าตามเป็นจริงหายหลงหายเมาไม่สําคัญมั่นหมายว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยอืมองเหตดูขันห้านี่เวลาใดก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลย เป็นแต่เพียงสภา ว, ธ, วธรรมอาศัยกันโย่โดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องรักษาดูแลกายและใจนี้ไม่ให้แตกตายทำลายขันไปก่อนนี่เพราะอาศัยบุญเก่าที่ตนได้ทำมาแต่ ก, ก่อนนั้นแหละมันมาตามรักษาชีวิตอันนี้ไว้ขอให้เข้าใจ แม่จะเป็นต้องไปอ้อนวอนบวงสวงเทวาอารั ก, กษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่ออะไรหรอกอ้อนวอนวงสวงเท่าไรก็ไม่ไหวนะถ้าตนได้สร้างกรรมชั่วไว้แต่ก่อนแล้วเมื่อกรรมชั่วมันได้โอกาสเวลาใดในระหว่างชีวิตนี่นะมันก็จะให้ผลทันทีแต่เมื่อมันไม่ได้โอกาสมันก็ ยังให้ผลไม่ได้ก่อนนั่นแหละบางกรรมมัตชั่วบางอย่างมันให้ผลเอาเวลาจวนจะตายนู่นเพราะว่าเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่บุญมันแพงบุญสกัดกั้นไว้ไม่ให้บาปให้ผลบุญจึงให้ผลพวกนั้นจะมีความสุขสมเสมอไปบางคนก็ลืมตัว เมื่อตนได้ความสุขเพราะการสั่งสมบุญกุศลมาแล้วลืมตัวว่าตนได้ความสุขมาโดยอำนาจเงินทองเข้าของทั้งหกักเลยไม่สร้างบุญกุศลสืบต่อเลยเมาอยู่ในลาบในยศในสนเสริญในความสุขกายสบายใจเพราะว่าผู้ไม่ได้ทำความเพียรเพ่งวินิจภายใน เิตดใจไม่ได้ทำใจสงบก็ไม่ได้มองดูสังขารร่างกายอันเนี้ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันจะแตกกระดับเมื่อไรเช่นนี้นะไม่ได้คำนึงถึงเลยอย่างนี้แหละมันตั้นหามมากเลยอุปท า, านมันมีบางคนก็รู้อยู่ว่าสชีวิตนี่มันมีการแตกดับเป็นที่สดุด แต่แล้วตัณหามันไม่ยอมหรอกเอาตายก็ช่างมันเราจะหาไปให้ลูกให้หลานแม้ว่าเราจะไม่ได้บริโภคกับตามสมบัติเหล่านี้นะเราจะหาไปให้ลูกให้หลานคิดอย่างนั้นแล้วก็แสงหาสังสมเข้าไปตัวเองก็อาศัยความสุขจากลาภยศเหล่านั้นไปแล้วไม่คิด สั่งสมบุญกุศลสืบต่ออย่างนี้นะท่านเรียก ว, ว่าหลงกับเมาผู้มียศก็เมาในยศผู้มีลาบก็เมาในยลาบนั่นแหละผู้มีรูปสวยรู p g ามก็เมาในรูปสวยรู p งามเลยไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่ได้ไหวพระไม่ได้ภาวนาสมาธิอะไรเลย พราะความเมาเหล่านั้นก็ครอบงาจิตแล้วมันทำไม่ได้มันอย่านึกเลยว่ามันจะมาไหวพระภาวนาได้ไม่มีทางนั้นแหละต่อเมื่อได้เพิกกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางออกไปด้วยการแน่ทานด้วยการรักษาศีลในบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละมันถึงจะทำความเพียรภาวนาทางจิตใจได้ เพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจิตใจคือพูดอย่างเปิดเผยก็เรียกว่าเพียรไม่ให้ความโรคความโกรธ ค, ความหลงมาครอบงาจิตใจมีสติสมัมปชัญญะระลึกถึงตัวเองอยู่เมื่อเราเมตระวังอยู่นั้นกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะในการน้อมจิตตรงสู่ความส ง, งบมันก็จึงทำได้ดีวับนี้นะ เมื่อกิเลสของเก่านั้นมันไม่มีกำเริบไม่ลุกขึ้นมาครอบงาจิตใจใจก็ยอมเบิกวานผ่องใสขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อใจเบิกวานผ่องใสแล้วเจริญปัญญาปัญญาก็ยอมเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถสอนใจของตนให้ละอุปาทานได้ใจมันเคยยึดถือสิ่งใดมาแต่ก่อนเส้นใจมันยึดถือความโลภไว้มันก็ละความโลภได้มันก็ไม่อยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนอืมนั่นแหละจิตมันเคยกโกรธใครมาแต่ก่อนเคยผูกโกรธ ใครต่อใครมาวันนี้มันก็ละความผูกโกรธผูกพยาบาทเหล่านั้นได้เพราะมันมองเห็นโทษแห่งความโกรธด้วยปัญญานี้เห็นว่ามีความโกรธมีแต่โทษไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมันมองเห็นแล้วโดยปัญญาเหตุนั้นถึงเบื่อหน่ายทีนี้ไม่ไม่ยึดเอาไว้ในใจแล้วสละความโกรธนั้นออกไปอย่างนี้นะ มองเห็นโทษแห่งความหลงแล้วมันก็ละความหลงออกไปความที่สำคัญว่าร่างกายนี่เป็นเขาเป็นเราเป็นตัวเป็นตนดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละความสำคัญเห็นเห็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่าหลงหลงอย่างรวบยอดอันนั้นเมื่อมันทำการว่าขันหน้าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ สร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดให้เกิดขึ้นในใจมาอย่างเต็มที่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันภาวนาทำความเบียนทางใจกำจัดความหลงความเมาเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจให้ได้แล้วจิตใจจะสว่างสวัยก็จะไม่มีกังวลอะไร ี่เลยตัณหาก็จะน้อยเบาบางอุปจักจิตใจดังสแสดงมา